ตอนที่ 6. การสละโลกนับแต่วันที่เจ้าชายราหุลกำเนิดแล้วพระเจ้าสุโธธนะก็ให้อิสระแก่พระโอรสเลิกน่วงเหนียวกักขังเจ้าชายจึงมักเสด็จออกทอดพระเนตรสิ่งต่างๆทั่วพระนครอยู่เสมอทรงใคร่ครวญในทุกๆสิ่งที่ได้ประสบและทรงหวังว่าจะทรงกระทำตามที่ตั้งพระทัยไว้ให้ได้ กลับจากประพาธพระนครขณะเสด็จผ่านตำหนักของเจ้าหญิงกีสาโคตมีซึ่งบังเอิญประทับอยู่ที่หน้าพระบัญชรความสง่างามและพระอิรยาบทอันสุภาพอ่อนโยนนั้นเจ้าหญิงถึงกับพลังพระโอษฐ์ออกมาด้วยความประทับ พ, พระไยว่าเย็นเหลือเกินสุขเหลือเกินอิ่มใจเหลือเกิน ถ้าหากใครได้เป็นแม่ก็ดีได้เป็นพ่อก็ดีได้เป็นเมียก็ดีของเจ้าชายหนุ่มรูปงามพระองค์นี้เสียงพลังพระโอษนี้ได้ยินถึงพระกันเจ้าชายทุกคาแต่เนื่องจากพระองค์เฝ้าพะวงคบคิดแต่เรื่องเพศบรรพชาและการออกบวชจึงจับความไปเสียอีกทางหนึ่งทรงรำพึงว่าแน่แล้ว แม่ก็ตามพ่อก็ตามเมียก็ตามถ้าได้บุตรหรือได้สามีเช่นว่านี้จะมีแต่ความเย็นความสุขความอิ่มใจเป็นแน่แท้แต่อะไรเล่าที่จะเป็นช่องทางให้พบความสุขชนิดนั้นความสุขที่แท้จริงจะมีได้ก็ต่อเมื่อความไข้แห่งราคระโทสะและโมหะ ได้ถูกเยียวยารักษาให้หายโดยสิ้นเชิงเมื่อไฟแห่งมานะทิฏฐิและกิเลสทั้งหลายดับไปหมดแล้วเมื่อนั้นแหละความเย็นความสุขความอิ่มใจอันแท้จริงจักมีมานั่นแหละคือสิ่งที่ชั้นและคนอื่นทุกคนอยากจะได้และนั่นแหละคือสิ่งที่ฉั้นจะต้องออกไปสแสวงหาในบัดนี้เพื่อชั้น และทุกคนจะได้อยู่เหนืออำนาจความแก่ความเจ็บและความตายฉันจะต้องส่งฆ้าบูชาครูไปถวายเจ้าหญิงผู้ได้บอกบทเรียนอย่างสูงสุดให้แก่ฉันพระองค์ได้ปลดสร้อยพระสอไข่มุกให้คนเดินข่าวไปถวายเจ้าหญิงกีสาโคตมีเป็นธรรมบรรณาการแต่เจ้าหญิงและบุคคลอื่นๆกลับเข้าใจว่า การที่เจ้าชายประทานสร้อยพระสอให้นั้นเป็นเครื่องแสดงออกถึงความรักอันใคร่จะได้นางเป็นพระชายานับแต่วันเสด็จกลับจากพระพาธพระนคร ค, ครั้งนั้นพระบิดาพระชายาตลอดจนผู้ใกล้ชิดทั้งหลาย ดางก็เห็นชัดว่าเจ้าชายทรงมีพระอาการเคร่งขรึมครุ่นคิดหนักยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมจนพระบิดาสุดที่จะปล่อยให้เป็นไปตามเหตุการณ์นั้นทรงพยายามเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเหนี่ยวรั้งพระโอรสยอดดวงใจไว้จนสุดกำลังพระองค์ได้ส่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญ ในการเสาะหาคณะนาตัดสินอันประกอบด้วยสตรีเลอโฉมแพรวพราวไปด้วยสเสน่ยยั่วยวนและชานฉลาดในกระบวนท่ารำอันหยดย้อยมีน้ำเสียงอันไพเราะล้วนเป็นหนึ่งในทุกภาคที่คัดเลือกมาเพื่อบำเรอพระโอรสให้ตกอยู่ในความเพลิดเพลินนี้ให้จงได้ แรกเจ้าชายทรงยอมทอดพระเนตรพอไม่ให้เป็นที่ขัดเคืองพระไทยพระบิดาแต่ก็ทรงฝืนไปไม่ได้นานพระเนตรนั้นก็รีปรือลงเนื่องจากพระหฤทัยของพระองค์นั้นทรงหมกมุ่นจนไม่เหลือไว้สำหรับสิ่งอื่นสิ่งที่ทรงเห็นว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปนั้นคือปัญหาที่ว่าทำอย่างไรพระองค์และคนทั้งหลายจากพ้นความแก่ความเจ็บไข้ และความตายได้โดยสิ้นเชิงและแล้วด้วยความอ่อนเพลียจากการที่ทรงใช้ความคิดชนิดไม่มีเวลาหยุดพักในที่สุดพระองค์ก็บันทมหลับไปในท่ามกลางความคลื้นเครงแห่งเสียงดนตรี และการเริงระบำซึ่งมันไม่มีกําลังพอที่จะครอบงำพระองค์ให้เคลิ้มตามได้ส่วนเหล่านักครองนางระบำนั้นต่างก็ได้เห็นทั่วกันว่าตลอดเวลาที่เขาถวายการร่ายระบำขับขานอย่างสุดฝีมือนั้นเจ้าชายไม่ได้สนพระไทยแม้แต่น้อยดังนั้นเมื่อพวกเขาได้เห็นว่าพระองค์บรรทมหลับไปเสียแล้วเช่นนี้ จึงชวนกันเอนพักอยู่ในบริเวณนั้นเพื่อรอว่าหากบรรทมตื่นเมื่อใดก็จะได้ร้องรำถวายต่อไปได้ทันท่วงทีแต่ได้ความอ่อนเพลียก็พากันม้อยหลับไปท่ามกลางแสงไฟอันสว่างสวัยณที่ประทับแห่งนั้นชั่วครู่ต่อมาเจ้าชายได้ตื่นจากบรรทมทรงทอดพระเนตรเห็นบรรดาสตรีซึ่งพระองค์เคยรู้สึกว่าน่ารัก เหล่านนั้บัตรนี้อยู่ในอากัปกิริยาอันน่าขยักขแยแงอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยในชีวิตของพระองค์ลางนางนอนเหมือนหมูลางนางนอนอ้าปากค้างลางนางน้ำลายไหลออกจากมุมปากจนเลอะเครื่องแต่งตัวบ้างก็ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเหมือนปีศาจที่กําลังโกรธแค้น ความรู้สึกสะอิดสะเอียนอย่างรุนแรงนี้ทําให้ฉุกพระไยว่าก่อนหน้านี้พระองค์พอพระไัยในความงามของคนเหล่านี้ได้อย่างไรกันและสิ่งนี้ก็เป็นเครื่องเพิ่มแรงผลักดันให้การตัดสินพระไัยนั้นเร็วขึ้นบัดนี้พระไถยของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทรงปักแน่วอยู่ในการเสด็จออกแสวงหาสิ่งที่เป็นสุขอย่างแท้จริง โดยสลัดสิ่งรบกวนใจไว้เบื้องหลังพระองค์ลุกขึ้นอย่างเงียบ ก, กริบรอบเสด็จออกจากห้องนั้นรับสั่งเรียกนายช น, นะให้ผูกม้า ก, กันทะกะสีขาวตัวโปรดในบัตรนั้นเพื่อที่พระองค์จะเสด็จทางไกลในขณะที่นายช น, นะออกมาเตรียมมาอยู่นั้นเจ้าชายทรงหวนพระไทยใคร่ที่จะทอดพระเนตรพระโอรสของพระองค์อีกสักครั้งก่อนที่จะเสด็จจากไป แต่เมื่อถึงห้องบรรทมทรงเห็นพระชายาโอบกอดพระโอรสน้อยไว้ในอ้อมพระกรอย่างแนบสนิททรงรำพึงว่าหากเรายกพระหัตพระนางขึ้นเพื่อที่จะแตะต้องพระโอรสพระนางจะต้องบรรทมตื่นและจะขัดขวางเราไว้เราต้องไปแล้วในบัดนี้เมื่อใดเราได้พบสิ่งที่แสวงหาแล้วจึงค่อยมาเยี่ยมสองแม่ลูก ผู้เป็นยอดสุดที่รักของเราเจ้าชายเสด็จออกจากพระตำหนักอย่างเงียบกริบส่งขึ้นประทับบนหลังกันท ก, กะมมาแสนรู้โดยมีนายช น, นะจับหางมันไว้ทรงผ่านประตูนครออกไปได้โดยไม่มีใครขัดขวางแต่เมื่อเสด็จไปได้เพียงหน่อยหนึ่งก็ทรงชักม้าให้เหลี้ยวกลับประทับนิ่งทอดพระเนตรย้อนสู่นครกบิลพั ท่ามกลางแสงจันทร์เป็นครั้งสุดท้ายนครนี้เป็นที่ประทับพระบิดาพร้อมด้วยพระชายาและพระโอรสจอมขวัญตลอดจนบุคคลทั้งหลายซึ่งล้วนจงรักพักดีในพระองค์อยู่แต่พระองค์กำลังหนีห่างทอดทิ้งเขาไปยังไม่ทราบได้ว่าเมื่อไรจะได้กลับมาเห็นกันอีกแต่แม้กระนั้น ความคิดนี้ก็ไม่สามารถหน่งเหนียวพระองค์ให้เสด็จกลับคืนสู่พระนครได้สรงควบมาต่อไปจนลุถึงฝั่งแม่น้ำอโนมา ณหาดสายนี้พระองค์เสด็จลงมาจากหลังมา้าทรงเปลื้องเครื่องประดับทั้งหมดทรงให้นายันนะตรัสว่าฉันนะนนะเธอจงนำเครื่องประดับของเรานี้พร้อมทั้งม้ากันทกะกลับไปบ้านเมืองเถิดบัดนี้เป็นเวลาที่เราสละโลกแล้วนายนนะร้องว่าทูลกระหม่อมแก้วขออย่าได้ทรงเสด็จไปแต่พระองค์เดียวเลย โปรดให้ข้าพระองค์ตามเสด็จไปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะทรงตรัสตอบว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่จะสละโลกสำหรับเธอดอกฉันนะเธอจงกลับไปเดี๋ยวนี้เถิดจงทูลพระบิดาพระมารดาด้วยว่าฉันยังปลอดภัยอยู่มีใหญ่ที่นายฉันนะจะกราบทูลวิงวอนซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่เป็นผล ซำยังไม่สามารถจะฝ่าฝืนพระบัญชาอันเฉียบขาดของเจ้านายสุดเคารพรักของตนได้เขาจำต้องจูงมา้ากันทกะพร้อมด้วยเครื่องประดับเดินก้มหน้ากลับไปด้วยหัวใจเหี่ยวแห้งอ่อนโหยและร่ำให้ไปตลอดทางจนถึงพระนครเขาแจ้งข่าวแก่คนทั้งหลายว่า เจชายสิท ธ, ธัตถะโคตมะแห่งสากยวงศ์ผู้มีพระชนมายุเพียง29ปียังทรงอยู่ในวัยหนุ่มชะกันพระเกศายังดำสนิทเจ้านายสุดที่รักที่พวกเราทนุถนอมยกไว้ในดวงใจนั้นบัดนี้ได้สละพระชนกชนนีพระชายาพระโอรส และราชอาณาจักรไว้เบื้องหลังพระองค์ได้เสด็จออกจากเรือนไปสู่ความเป็นผู้ไม่มีเรือนเสียแล้ว